วันนี้เป็นวันเสาร์ที่เกธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบุญสัตว์ผู้ใฝ่ธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาเรียนู คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเรียนรู้ถึงผลที่จะได้จากการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้มีกาลังใจในการที่จะนำเอาไปปฏิบัติการปฏิบัติอะไรนี้ถ้ามีความยินดีมีฉันทะความการปฏิบัติมันก็จะง่าย ถ้าไม่มีความยินดีไม่มีความชอบที่จะปฏิบัติมันก็จะปฏิบัติยากการที่เราจะมีความยินดีหรือไม่ก็อยู่ที่การเรียนรู้ในสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติว่ามีคนมีประโยชน์อย่างไรถ้าเรารู้ว่ามีคนมีประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้มันก็จะทำให้เรา เกิดศรัทธาเกิดความยินดีเกิดฉันทะเกิดวิริยะความอุสาหะความภาคเพียรตามมาการฟังธรรมนี้ก็จะได้กำลังใจจากการฟังธรรมการฟังธรรมนี้จะต้องฟังเป็นอย่างต่อเนื่องฟังอยู่เรื่อยดังที่พระเจ้าทรงตัดไว้ว่า การเล่นะธรรมะสวนรค์เอตัมมังกาลมุตตะมังกา ร, า<ม>การฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอตามการตามเวลา<ม>ตามความเหมาะสมตามความสะดวกมีเวลาว่างเมื่อไหร่ถ้ามาศึกษาทำได้มาฟังธรรมได้ก็ดีกว่าเอาเวลาไปทําอย่างอื่น เพราะสิ่งอย่างอื่นที่เราได้ยินได้ฟังนั้นล้วนแต่เป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งนั้นล้วนเป็นแต่เรื่องที่จะนำพาให้เราต้องไปทุกข์กับเรื่องราวต่างๆไม่เหมือนกับการฟังธรรมฟังธรรมแล้วเราก็จะได้เรียนรู้เรื่องที่จะพาให้เราได้ไปดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมด ไปได้อย่างแท้จริงเรื่องทางโลกนี้ไม่ได้สามารถดับความทุกข์ทางใจได้อย่างแท้จริงดับได้ก็เป็นชั่วประเดียวประดาวล้าเดียวความทุกข์ก็ยังจะต้องกลับคืนมาอยู่เรื่อยๆและบางครั้งก็อาจจะมีความทุกข์เพิ่มขึ้นมาจากวิธีของการดับทุกข์ของเราของทางโลก วิธีการดับทุกข์ของทางโลกนี้ไม่ได้เป็นวิธีที่จะลดความทุกข์ให้น้อยลงไปแต่กลับจะเพิ่มความทุกข์ต่างๆให้มีมากขึ้น mm hmm. เช่นถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็อาจจะเกิดความรู้สึกว่าเหงาถ้าเรามีแฟนมีภรรยาหรือมีสามีแล้วเราก็จะได้แก้ความเหงาความว้าเวความทุกข์ อางว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวได้เราก็ไปมีภรรยามีสามีพอมีแล้วความทุกข์ใหม่ก็เกิดตามมาทันทีความทุกข์ที่ความห่วงใ ย, ยความวิตกกังวลกับสามีกับภรรยาของเราและบางครัง้งบางเวลาก็อาจจะเกิดความทุกข์ที่เกิดจากการเข้าใจผิด การมีความเห็นนี่ที่ไม่ตรงกันที่นำไปสู่การทะเลา ะ, ะ, ะ, ะวิวาสพาให้เกิดความโกรธเกิดความเสียใจตามมาอีกนี่แหละวิธีการของทางโลก ท, ที่แก้ความทุกข์ด้วยการไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปหาบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้มาแก้ มันแก้ได้แก้อย่างหนึ่งแล้วก็มาสร้างความทุกข์ให้ใหม่ให้เกิดขึ้นใหม่อย่างแก้ความเหงาได้ <c oughs> แต่ก็ต้องมาเจอกับความทุกข์กับคนที่เราไปอยู่ด้วยทุกเพราะความกังวลห่วงใยทุกเพราะความมีความเห็นไม่ตรงกัน <c oughs> อันนี้ แล้วก็ต้องทุกเวลาที่เกิดจากการพัดพากจากกันอีกถ้าอยู่คนเดียวความทุกข์เหล่านี้ย่อมไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะทุกข์มันจะเกิดได้ก็ต้องมีสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับอะไรเราก็จะต้องทุกข์กับสิ่งนั้นเสมอไปทุกข์กับเออ ทุกข์กับเงินถ้าไม่มีเงินก็ไม่ทุกข์กับเงินถ้ามาบวชอยู่เป็นพระนี่ก็ไม่ต้องทุกข์กับเรื่องเงินเรื่องทองและถ้าไปมีเงินมีทองเพื่อมาบำบัดความทุกข์ต่างๆการมีเงินก็ต้องมีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องเงินเพราะเงินก็เป็นของที่ไม่แน่นอนจะมีมาอยู่เรื่อยๆหรือไม่จะหมดไปเมื่อไหร่ มันก็สร้างความทุกข์ใหม่ให้เกิดขึ้นมานะนี่คือตัวอย่างของการดับความทุกข์ทางโลกความทุกข์การดับความทุกข์ทางโลกเขาต้องมีอะไรมาดับเช่นมีราบมียศมีสรรเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัะชนิดต่างๆมาดับแต่ก็ ดับความทุกอย่างหนึ่งแล้วก็มาสร้างความทุกใหม่ให้เกิดขึ้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในโลกนี้ไม่ใช่เป็นเครื่องมือดับทุกที่แท้จริงแต่เป็นเครื่องเพิ่มความทุกให้กับใจโดยที่ไม่ไม่รู้ตัวรู้ก็สายไปเสียแล้ว <c oughs> ต้องศึกษาวิธีการดับความทุกข์ทางใจจากพระพุทธรธรรมหรือพระสงฆ์เท่านั้นที่จะได้รู้วิธีดับทุกข์ที่แท้จริงเหมือนการไม่ได้เป็นการเพิ่มความทุกข์แต่เป็นการลดความทุกข์ให้น้อยลงไปแต่ในเบื้องต้นมันก็อาจจะต้องเจอกับความทุกข์ที่เกิดจากการเอา สร้างเครื่องมือที่จะมาดับความทุกข์ทางใจเพราะเป็นสิ่งที่เรายังไม่สามารถที่จะทำได้และเราต้องฝืนต้องพยายามทำให้มันเกิดขึ้นมาให้ได้สร้างเครื่องมือให้เกิดขึ้นมาให้ได้ช่วงนั้นมันก็จะทุกข์เพราะว่ามันต้องไปต่อสู้กับความรู้สึกที่เคย ใช้ความสุขทางโลกมาดับความทุกข์ทางใจใเพราะการที่จะทำดับความทุกข์ทางใจนี้จาเป็นต้องละความสุขทางโลกลงไปนั่นเอง<ม>ละการหาเงินหาทองหาเพื่อความร่ำรวย<ม>ถ้าหาได้ก็ถ้าจำเป็นก็หาเท่าที่จำเป็นเพื่อมาดูแลรักษาร่างกาย มีปัจจัยสี่ไว้เลี้ยงดูร่างกายอันนี้ก็จาเป็นต้องหาต้องมีถ้าไม่ได้เป็นนักบวชถ้าเป็นนักบวชก็ไม่ต้องไปห า, ง ห, างาาาหาเงินหาทองมาดับความทุกข์นอกจากหาเงินหาทองมาดับความทุกข์มาเยียวยาร่างกายแล้วยังเอาเงินท่งนี้ไปดับความทุกข์ ที่เวลาเกิดความรู้สึกว่าเวเหงาหรือไม่มีความสุขก็มักจะใช้เงินใช้ทองไปซื้อสิ่งต่างๆมาเพื่อให้เกิดความสุขขึ้นมาเพื่อมากลบความทุกข์ที่มีอยู่ในใจให้หายไปชั่วคราวแต่พอได้ไป สัมผัสได้ไปทาตามความอยากแล้ว <c oughs> ความสุขที่ได้มานั้นก็จะหมดไปแล้วความรู้สึกขาดอะไรความรู้สึกไม่พอความรู้สึกที่อยากจะมีนั่นมีนี่อยากจะไปนั่นมานี่มันก็จะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆ <c oughs> ก็ต้องไปคอยหาเงินมาดับอยู่เรื่อยๆแล้วก็การหาเงินก็ไม่ใช่เป็นการ ง่ายต้องทำงานทำการต้องทำอะไรต่างๆว่าจะได้เงินได้ทองมาแล้วถ้าไม่ฉลาดก็อาจจะไปหาเงินหาทองมาโดยวิธีที่เป็นบาปเช่นไปช่อโกงไปลักทรัพย์ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อให้ได้เงินได้ทองมา โดยที่ไม่รู้ว่าเป็นการเพิ่มความทุกข์ทางใจให้มีมากขึ้นไป <c oughs> นี่คือถ้าเราไปศึกษาไปฟังทางโลกก็เราก็จะได้ยินแต่เรื่องราวเหล่านี้เรื่องการหาลาบยศสรรเสริญเรื่องการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายแต่ไม่เคยได้ยินว่ามันเป็นการไปหาความทุกข์มาใส่ใจมา มาเพิ่มความทุกข์ให้กับใจดับความทุกข์บางอย่างไปได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่กลับมาเพิ่มความทุกข์ทางใจให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเพราะเมื่อไปยึดไปติดไปอาศัยวิธีเหล่านี้แล้วมันก็ต้องทําไปเรื่อยๆถ้าเกิดไม่สามารถที่จะทําได้ก็เกิดความทุกข์ขึ้นใหม่ถ้าเคยใช้การใช้เงินใช้ทองดับความทุกข์ใจ พอเงินทองไม่มีก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาดับความทุกข์ใจได้ถ้าใช้ยศใช้ตำแหน่งมาดับความทุกข์ใจพอไม่มียศไม่มีตำแหน่งก็เศร้าใจเสียใจถ้าเอาสารเสริญเยินยอยกย่องเช่นรางวัลต่างๆมาเป็นเครื่องดับความทุกข์ทางใจสร้างความสุขทางใจ มันก็จะทำให้เวลาที่ไม่ได้ยศไม่ไม่ได้สรรเสริญไม่ได้รางวีรางวัลก็จะเกิดความเศร้าใจตามมาถ้าใช้รูปเสียงกลิ่นรสเป็นเครื่องมือดับความทุกข์ทางใจพอไม่สามารถที่จะไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาดับความทุกข์ทางใจได้ก็จะเกิดความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปอีกวิธีการเหล่านี้ เป็นวิธีที่ต้องลดละให้ได้ถ้าอยากจะมาสร้างเครื่องมือที่จะมาดับความทุกข์ทางใจเพราะฉะนั้นมันก็จะรู้สึกทุกข์ยากลาบากเวลาที่เราจะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนวิธีดับความทุกข์ที่ถูกต้องที่ไม่ต้องใช้ความสุขทางโลก กระทำมาเป็นเครื่องมือดับเพราะโลกกระทํานี้ไม่ใช่น้ําดับไฟแต่เป็นน้ํามันเวลาเกิดมีไฟลุกนี้ถ้าเราเทน้ํามันลงไปใหม่ๆน้ํามันยังไม่ร้อนมันก็ทําให้รู้สึกว่าไฟที่เราที่กําลังไหม้อยู่นี้มันจะดับแต่พอสักพักหนึ่งพอน้ํามันก็ ร้อนขึ้นมาเมื่อไหรมันก็ปะทุขึ้นมาเป็นไฟใหญ่กว่าเก่าอีกต้องเอาน้ำมาดับไฟอย่าไปเอาน้ำมันไปดับไฟ <c oughs> ธรรมะของพระเจ้าก็เช่นเดียวกันเป็นเหมือนน้ำดับไฟแต่การที่เราจะไปหาน้ำมาดับไฟได้นี่เราต้องมีเวลา <c oughs> เราต้องหยุดการใช้การไปหาน้ำมันมาดับไฟ การที่เราต้องหยุดวิธีดับความทุกข์ทางใจแบบที่เราเคยทำมานี้มันก็จะมาต่อสู้กันต่อสู้กับระหวา่างการไปหาน้ำมาดับกับการไปหาน้ามันมาดับเคยไปหาน้ำมันมาดับอยู่เรื่อยๆพอต้องหยุดมันก็เริ่ม้สึกยากลาบาก <c oughs> เพราะมันติดมันติดกับความสุขติดกับวิธีดับความทุกข์ทางใจ ที่ไม่ใช่เป็นวิธีที่ดับความทุกข์ที่แท้จริงแต่เป็นวิธีเพิเพ่มพูนความทุกข์ให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นเวลาที่จะต้องไปปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า<ๆ>เพื่อระงับดับความทุกข์ทางใจได้อย่างแท้จริงนี้จึงเป็นของที่ต้องมีการต่อสู้กัน ระว่างใจที่ยังอยากที่จะไปหาโลกกะระทำอยากจะไปหาน้ํามันมาดับทุกข์อยู่กับใจที่อยากจะไปหาน้ามาดับความทุกข์อันนี้แหละคือความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นสําหรับผู้ที่ปฏิบัติเพราะว่ามันเป็นของที่ต้องฝืนต้องทํานั่นเองต้องฝืนไม่ทําในสิ่งที่เราเคยทํามา เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นวิธีการดับทุกข์อย่างแท้จริงต้องมาเฝื้นทำในสิ่งที่เป็นวิธีดับความทุกข์อย่างแท้จริง <c oughs> ยังมีความทุกข์ยังไม่ค่อยมีความอยากจะทํากันเท่าไหร่เราต้องอาศัยการฟังเทศฟังธรรมการเรียนรู้วิธีการดับทุกข์ของพระพุทธเจ้าและของพระสาวกของพระพุทธเจ้าว่าท่านต้องทําอย่างไร ท่านต้องฟันฝ่าความทุกข์เหล่านี้ไปได้อย่างไรบ้างจนกระทั่งท่านสามารถที่จะเอาเครื่องมือเอาน้ำมาดับไปดับความทุกข์ของใจได้ถ้าเราได้ยินได้ศึกษาประวัติของท่านแล้วมันก็จะทำให้เรามีความมีความยินดีที่จะทำตามเราจะได้รู้ว่า การที่จะไปหาน้ํามาดับความทุกข์ทางใจน้ําแห่งธรรมไม่ใช่เป็นของง่ายต้องยอมรับความจริงว่ามันเป็นของยากแต่มันเป็นของที่ดีเมือ่อเมื่อผ่านไปแล้วเมื่อได้เมื่อได้ได้ธรรมะมาแล้วก็จะสามารถดับความทุกข์ทางใจได้อย่างถาวอน ดูพระพุทธเจ้าดูพระสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ต่อสู้กับความทุกข์ยากลำบากในรูปแบบต่างๆเพื่อที่จะสร้างธรรมะที่เป็นน้ำดับน้าดับไฟของใจนี้ให้มาครอบครองอยู่ในใจให้ได้พอท่านสามารถทำได้แล้วไปในใจคือความทุกข์ใจนี้ก็จะถูกน้ำ ของธรรมะนี่ดับได้อย่างเสนิทหยับดับได้อย่างถาวรดังนั้นการฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆนี้จะเป็นการเสริมกําลังใจเพราะนอกจากจะเรียนรู้วิธีการปฏิบัติของของพระพุทธเจ้าและของพระสาวกแล้วยังทําให้เรารู้วิธีการต่างๆเกิดปัญญาขึ้นมา ปัญญาก็เป็นเครื่องมือในการที่จะมาดับความทุกข์ทางใจของพวกนี้เราไม่รู้ปัญญาทางพระศาสนานี้เราไม่รู้กันเรารู้แต่ปัญญาทางโลกรู้แต่วิธีหาราภยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆซึ่งเป็นการหาความทุกข์มาใส่ใจโดยไม่รู้สึกตัว <c oughs> แต่ปัญญาความรู้ทางธรรมที่จะนำเมา ธรรมะมาเป็นเครื่องมือดับความทุกข์ทางใจนี้เรายังไม่รู้จักกันเราต้องอาศัยคนที่ดูแล้วรู้วิธีดับความทุกข์ทางใจแล้วว่าท่านดับกันได้อย่างไรแล้วเราก็เอาวิธีที่ท่านดับนี้มาประยุกใช้กับตัวเราเองอาจจะไม่เหมือนกันแต่ก็อาจจะมีแนวทางที่เป็นแนวทางเดียวกัน เพราะอุบายหรือนิสัยของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันเครื่องมือที่ดับทุกข์ก็มีหลากหลายวิธีด้วยกันแล้วผู้ปฏิบัติก็ต้องทดลองลองผิดลองถูกบ้างแต่อย่างน้อยก็ไม่ได้ไปลองของที่ไม่ที่ดับทุกข์ไม่ได้เห็นแต่ว่าของที่ดับทุกข์ของของพระ สาวกได้อาจจะเป็นของที่เราเอามาดับไม่ได้ก็เป็นได้ถ้าเราไปศึกษาเกี่ยวกับองค์นั้นองค์นี้แล้วท่านใช้วิธีนั้นวิธีนี้ดับความทุกข์แต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันเราเอามาทำไม่ได้เราก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีก็ศึกษาหลายๆจากหลายๆผ้าจารย์ก็ได้จนกว่าจะได้คําสอนที่เหมาะกับเราที่ถูกต้องกับเรา เราก็ยึดคาสอนนั้นเป็นแนวทางของการดาเนินการดับความทุกข์ทางใจของเราต่อไปนี่คือความสำคัญในการที่เราจะต้องมีการมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาธรรมะอยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะได้เรียนรู้ความจริงของธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ทรงตัดไว้ว่า เป็นสวากขาตูพระกัตตาธัมโมเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วเป็นธรรมที่ตัดไว้ที่ถูกต้องแล้วในวิธีการของดับความทุกข์ต่างๆพระตาพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกกรดีได้ใช้ธรรมะเหล่านี้มาดับความทุกข์ทางใจของท่านจนหมดสิ้นไปแล้วเมื่อเราฟังแล้วเราก็จะทําให้เราเกิดความยินดี ว่าอ่อจะดับความทุกข์ต้องทําอย่างนี้ต้องทําอย่างนั้นตอนต้นเราอาจจะไม่รู้ว่าจะดับความทุกข์อย่างไรบางทีเราเรา ย, ยังไม่รู้เลยว่าเรามาศึกษาธรรมะกันทําไมศึกษาเพื่ออะไรความจริงธรรมะนี่มีหน้าที่เดียวเท่านั้นแหละ mm hmm. คือมาสอนให้เราดับความทุกข์ทางใจของเราจะ mm hmm. mm hmm. มีพร อ, องคทรงตัสว่าคําสอนของพระ อ, องค์นี่มีมากมายกายกอง mm hmm. เหมือนกับน้ําในมหาสมุทรแต่น้ําในมหาสมุทรถึงแม้ว่าจะมีมากมายกายกองเพียงใดก็ตามจะมีรสชาติอันเดียวท่านั้นคือรสของความเค็มธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันชงสแสดงธรรมะได้ไว้อย่างมากมายในพระไตรปิฎกมีถึงแปดหมืนสี่พันธรรมบทเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องเรื่องเดียวท่านั้น ก็คือวิธีการดับความทุกข์ของใจนั่นเองอันนี้แหละคือเป้าหมายที่แท้จริงของพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าละภาษาวกทั้งหลายแต่ก็ไม่ปฏิเสธว่ามีผลข้างเคียงมีผลพลอยได้ตามมาจากการปฏิบัติถ้ายังไม่ได้สามารถไปถึงจุดสูงสุดคือดับความทุกข์ทางใจได้ ดับได้เป็นบางส่วนก็จะได้ไปอยู่ในภพที่ดีตามลําดับต่อไปอันนี้แต่ไม่ได้มีเป้าหมายให้เราทําเพื่อให้เราไปเกิดใหม่ทําเพื่อมีเป้าหมายเพื่อให้เราหยุดการเกิดให้ได้เพราะการเกิดย่อมนํามาซึ่งความแก่ความเจ็บความตายไม่ว่าจะอยู่ในภพไหนก็ตามอยู่ในสวรรค์ชั้นไหนก็ตาม ก็จะต้องมีวันเสื่อมมีมีวันดับมีวั น, นสูญสิน้นเมื่อสูญสิ้นแล้วก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่มาได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่แล้วก็มามาปฏิบัติธรรมใหม่ไปจนกว่าถึงจะประกาจะไปถึงพระนิพพานเท่านั้นถึงจะไม่มีการเสื่อมไม่มีการต้องกลับมาเกิดใหม่อีกต่อไปแต่ระหว่างทาง ที่ไปพระนิพพานนี้ก็ต้องผ่านสวรรค์ชั้นต่างๆสวรรค์ชั้นต่างๆนี้ก็ยังเป็นของที่ไม่จีรังถาวรไม่เหมือนพระนิพานพานพระนิพพานนี้เป็นสวรรค์ชั้นเดียวที่ถาวรที่จีรังที่ไม่มีวันเสื่อมแต่สวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรมนี้ยังต้องมีวันเสื่อมอยู่วันจะต้องจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ อย่านยไปคิดว่าพุทธศาสนาสอนให้ไปสวรรค์เท่านั้นแต่ก็บอกให้รู้ว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วจะได้อะไรแล้วจะได้อะไรไปถึงขั้นไหนเพราะฉะนั้นขอให้เราเข้าใจว่าเป้าหมายสูงสุดของการศึกษาของการปฏิบัติธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้า คือไปสู่พานิพานไปสู่การดับความทุกข์อย่างถาวรไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไปไม่ถึงจุดนั้นเราก็ต้องปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดนั้นแล้วก็อาจจะต้องปรับการปฏิบัติของเราเพิ่มการปฏิบัติของเราให้มากขึ้น พ่อคําสอนของพุทเจ้าก็แบ่งระดับไว้เป็นสามระดับใหญ่ๆด้วยก <N> ันคือเบื้องต้นก็ให้เราระงรับดับระงรับความทุกข์ที่เกิดจากการกระทําบากก่อนไม่ให้ให้ละการกระทําบาตทั้งกลุ่รวมไปถึงผู้ที่สนับสนุนให้ทําบาปได้ง่ายก็คืออบา ย, ยามุข <N> ต้องละบาปต้องละการกระทําอบา ย, ยามุขเ <N> พื่ออะไร เพื่อปิดกั้นประตูที่จะพาให้จิตใจลงต่ํากว่าความเป็นมนุษย์ไปสู่ภพที่มีความทุกข์มีความวุ่นวายมากกว่าภพของมนุษย์และของเทวดาทั้งหลายเราต้องการขึ้นสูงเราไม่ต้องการลงต่ําัง้นเราต้องปิดกัน้นไม่ให้จิตใจตกต่ำและสิ่งที่จะหนึงให้จิตใจเราตกต่ํา ก็คือการกระทำบาปการเสพอบายมุกนี่ถ้าเราปิดกั้นได้แล้วใจเราก็จะไม่ตกต่ำแล้วถ้าเราอยากจะให้ใจสูงขึ้นเราก็ต้องทำข้อที่สองก็คือให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมทำความดีต่างๆถ้าเรายังไม่ได้สามารถไปสู่ขั้นที่สามก็คือไปไปชำระจิตใจด้วยการไปเป็นนักบวชได้ เราก็ทําความดีในฐานะของผู้คลองเรือนไปก่อนเป็นคารวะญาณโยมไม่ทําบาปไม่เสพบายยมุกแล้วก็หมั่นทําบุญทำกุศล ต, ต่างๆทําทความดีต่างๆทําทคุณทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นบุญกุศลหรือความดีก็หมายถึงการกระทําที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับผู้อื่นไม่มีโทษไม่มีไม่มีไม่มีโทษ ไ, ไ, ไ, ไ, ไม่มีทุกข์ให้แก่ผู้อื่นและไม่มี โทษไม่มีทุกข์ให้กับตนเองเป็นการได้ทั้งผู้ให้และผู้รับผู้ผู้รับก็จะได้ความช่วยเหลือหรือได้ข้าวของต่างๆมาช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนหรือมาให้เกิดความสุขใจดีใจผู้ให้ก็จะได้ความสุขใจกลับมาความสุขใจนี่แหละที่จะทําให้จิตใจไปอยู่ในสวรรค์ ขั้นเทพไดถ้ถ้าเรายังไม่สามารถที่จะปฏิบัติทำขั้นที่สมได้ก็เอาขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองก่อนก็คือ <c oughs> ละการเสพอบายามุขละการกระทำบาป <c oughs> แล้วก็ทำความดีด้วยวิธีการต่างๆตามกำลังของเราถ้าเรามีข้าวของเงินทองเหลือเฟือเหลือกินเหลือใช้ ถ้าแบ่งไปให้แก บ, บผู้อื่นบ้างเราก็ไม่เสียหายไม่เดือดร้อนก็ทำไปดีกว่าเก็บไว้เฉยๆเก็บไว้แล้วมันก็จะกลายเป็นภาระหนุงรังแก่จิตใจอาจจะถึงกับความกังวลความห่วงยายขึ้นมาก็ได้ไม่เกิดประโยชน์อะไรกลายเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพ์ไปมีรัพ์แต่ไม่กล้าใช้กลัวจะหมดนี้ ก็ใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูสิว่าเงินที่เรามีอยู่นี้มันมากมายขนาดไหนแล้วเราก็ยังหาสามารถหาอยู่ได้เรื่อยๆอยู่เราก็เอาไปเอาส่วนที่เราไม่เดือดร้อนนี้ไปให้ผู้อื่นช่วยผู้อื่นก็ได้บางทีไม่ต้องให้คนที่เขาไม่เดือดร้อนก็ได้เช่นเพื่อเราตอบแทนบุญคุณให้ด้วยการตอบแทนบุญคุณเช่นบิดามารดาผู้มีพระคุณกับเรา เราก็อยากจะให้ท่านมีความสุขจากการมีข้าวของเงินทองต่างๆเราก็ให้กับท่านไปการให้ก็มีหลายคนห ล, ยหลายที่ที่เราจะให้ได้ให้กับสถานที่ที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคมเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลหรือวัดวาอารามต่างๆ สถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่ทำคุณทำประโยชน์ให้กับสังคมการสนับสนุนสถานที่เหล่านี้ก็จะทำให้สังคมมีที่พึ่งมากขึ้นอยู่กันได้อย่างสุขสบายมากขึ้นไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายความทุกข์ความวุ่นวายน้อยลงไป <c oughs> หรือเราจะทำเพื่อสงเคราะห์คนที่เขาตกทุกข์ได้ยากก็ได้ หรือสัตว์เดรัจฉานก็ได้สัตว์เดรัจฉานที่เขาไม่มีที่พึ่งสุนัขจรจัดแมวจรจัดมาอย่างนี้ถ้าเราพอที่จะสงเคราะห์เขาได้ก็สงเคราะห์เข้าไปตามกําลังของเรา <c oughs> หรือถ้าเราไม่มีอะไรสงเคราะห์เรามีเวลาเราก็ใช้เวลาของเรานี้ไปทําคุณทําประโยชน์ให้กับสังคมก็ได้เรียกว่าเป็นจิตอาสา บางท่านก็ชอบมาที่วัดแล้วก็ชอบมาช่วยล้างห้องน้ำเพราะเห็นว่าล้างห้องน้ําส่วนใหญ่มักจะมีแต่คนใช้ไม่มีคนทําความสะอาดการไปทําความสะอาดห้องน้ํามันก็สร้างความสุขทําห้องน้ําให้เป็นห้องสุขขาอย่างแท้จริงเองน้ําบางห้องนี่มันไม่ใช่ห้องสุขขามันห้องทุกข์ขาเข้าไปแล้วถ้ามันจะไม่อยากจะเข้าเพราะมันสกปรก มันไม่ได้รับการทำความสะอาดมันก็เลยส่งมีกลิ่นไม่ไม่เหมาะสมแทนที่จะเป็นห้องสุ ข, ขาก็เลยกลายเป็นห้องทุกข์ขาไป <c oughs> อันนี้ก็คือตัวอย่างของการทำคุณทาประโยชน์ต่างๆไม่จาเป็นว่าจะต้องใช้เงินใช้ทองแค่อย่างเดียวที่เราจะทำคุณทำประโยชน์ได้ให้สิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่เรามีอยู่อาจจะไม่ใช่เงินทองก็ได้เวลาก็ได้ ความรู้ก็ได้เรามีความรู้ต่างๆเอาไปสอนคนที่เขาอยากจะรู้ก็ได้ที่เราเป็นช่างทําผมช่างทําหน้ากามีคนอยากจะเรียนก็สอนเขาไปโดยที่ไม่คิดเงินทองก็ได้เราจะได้ก็มีความรู้ไปเป็นเครื่องมือทำอากินต่อไปอัน <c oughs> นี้คือการวิธีการขั้นที่สอง สำหรับผู้ที่ยังไม่สามารถที่จะไปทำขั้นที่สามได้ขั้นที่สามก็คือการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์จาเป็นที่จะต้องมีเวลาคือปฏิบัติทำวิปัสสนาสมถะกับวิปัสสนาภาวนางานงานนี้เป็นงานที่ต้องเป็นงานเต็มร้อยคือต้องไม่ไปทำงานอย่างอื่นถึงจะได้ผลดี ถ้ายังต้องทำงานอย่างอื่นอยู่แล้วมาทำงานทางนี้จะได้ผลไม่มากอาจจะได้เป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับเหมือนกับอาหารที่เราชิมคือได้ได้นิดหน่อยพอให้เรารู้รสชาติของอาหารว่าอาหารนี้อเรเ็ดอร่อยอย่างไรดีอะไรอย่างไรหรือไม่เช่นถ้าเรายังเป็นคารวาดผู้ครองเรือนยังต้องทำอาหากินอยู่ แต่เราก็ยังพอที่จะหาเวลาว่างมาให้กับการภาวนาได้มาให้กับการชำระจิตใจได้ล้วก็พยายามเกียดเวลาของเราที่เราเอาไปใช้กับการหากกับการดับความทุกข์ห่างใจโดยวิธีทางโลกคือไปเที่ยวไปกินไ ป, ไปดื่มไปดูไปฟังอะไรต่างๆเอาวิาเวลาเหล่านั้นมาเรามาให้กับการ ปฏิบัติทำดูแล้วก็อาจจะไปหาที่สงบที่เราสามารถที่จะปฏิบัติได้โดยไม่มีอะไรมารบกวนใจเพราะการปฏิบัติธรรมนี้ต้องอยู่ในที่สงบที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากบุคคลต่างๆห่างไกลจากเหตุการณ์ต่างๆเพราะเหตุการณ์เหล่านี้สิ่งเหล่านี้มันจะมาขวางมันเป็นนิวรน จะทำให้การปฏิบัติเพื่อทำใจให้สงบนี้เป็นไปได้ยากอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำหรับผู้ที่เชื่อมีศรัทธาความเชื่อมีวิริยะความภาคเพียรพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็จะเปลี่ยนวิธีของการดับความทุกข์ทางใจจากการใช้ราบยศสรรเสริญ และความสุขทางตาหูจมูกนิ้วมกายมาใช้ในการทำใจให้สงบมาปฏิบัติจิตตภาวนาเจาริญสตินั่งสมาธิในสถานที่สงบสงัดเบื้องต้นถ้าเรายังไม่เคยทำเลยนี่เราก็สามารถฝึกได้ในขณะที่เรายังอยู่บ้านของเรานี่แหละเพียงแต่ว่าเราต้องมีเวลาว่างแล้วก็มีห้องที่ไม่มีใครรบกวนเรา ไปอยู่ในห้องมันลองนั่งสมาธิสักครึ่งชั่วโมงสักชั่วโมงก็ได้เบื้องตน้นถ้ายังนั่งสมาธิไม่ไหวสติยังไม่มีกําลังพอนั่งแล้วมันยังฟุ้งซ่านอยู่ก็ใช้วิธีสวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ไปยาวๆสวดสักครึ่งชั่วโมงสวดบนไหนก็ได้นถ้าสวดโดยที่ไม่ต้องเปิดหนังสือได้จะดีกว่าก่บการเปิดแล้วดูหนังสือ จะได้ผลต่างกันถ้าปิดหนังสือได้ให้ใจคิดตามบทสวดมนต์ได้ก็จะช่วยทำลดลดสิ่งที่จะทำให้ใจวุ่นวายใจไม่สงบได้พอสมควรเพราะถ้าเราลืมตาบางทีล้วก็ไปเห็นสิ่งนั้นไปเห็นสิ่งนี้เข้ามาแล้วก็เดี๋ยวว่าเกิดความคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับเรื่องนั้น่เรื่อ ง, องที่เห็นต่อไปได้ สวดไปก็เหมือนกับไม่ได้สวดเพราะใจไปคิดเรื่องอื่นแทนเห็นถ้าหลับตาได้ก็ดีจะได้ไม่เห็นอะไรใจก็จะได้มีอมีสติที่จะสามารถจดจ่ออยู่การสวดมนต์ได้สวดไปเรื่อยๆจนกว่ารู้สึกว่าใจเริ่มสงบมีความสุขแล้วก็ลองเปลี่ยนมาดูลมหายใจเข้าออกดู หรือถ้าชอบคำบริกรรมพุทโธพุทโธก็ใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธบริกรรมไปภายในใจไม่ออกเสียง mm hmm. การปฏิบัติธรรมนี้เราไม่มีการออกเสียงเป็นเรื่องของการทำในใจเพียงอย่างเดียว mm hmm. บริกรรมพุทโธไป mm hmm. หรือถ้ายังบริกรรมพุทโธไม่ได้ดูลมไม่ได้ mm hmm. บางท่านอาจจะชอบฟังเทศฟังธรรม ก็สมัยนี้เราก็มีธรรมะที่มีบันทึกไว้ในในเครื่องบันทึกเสียงต่างๆเราก็เปิดธรรมะไปในขณะที่เรานั่งสมาธิไปเราก็นั่งสมาธิหลับตาแล้วก็ฟังธรรมะไปให้เสียงธรรมเป็นอารมณ์กล่อมใจให้สงบสงบในระดับหนึ่งคือไม่ฟุ้งซ่านสงบในระดับที่เราสามารถที่จะใช้การดูลมหายใจเข้าออก หรือการใช้คำบริกรรมพุโทโธได้แล้วก็สลับหยุดฟังเทศฟังธรรมแล้วก็มาดูลมหายใจต่อไปหรือบริกรรมพุโทโธต่อไปจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเอาสองอย่างคู่กันเอาลมอย่างเดียวก็ได้ดูลมก็ดูที่ปลายจมูกบริกรรมพุโทโธก็อยู่กับคำบริกรรมพุโทโธโดยที่ไม่ต้องไปสนใจกับลมหายใจก็ได้ หรือถ้าอยากจะทำทั้งสองอย่างควบคู่กันก็ได้สำหรับบางท่านก็ดูลมพอลมเข้าก็ว่าพุทลมออกก็ว่าโทอันนี้แล้วแต่แล้วแต่จริตแต่ดีที่สุดก็คือดูลมอย่างเดียวเพราะเป็นวิธีที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติอาณาปณะสติการมีสติรู้อยู่กับการหายใจรู้กับการเข้าออกของลมหายใจ ให้รู้ไปเพียงอย่างเดียวไม่ต้องไปคิดปรุงแต่งไม่ต้องไปบังคับลมให้หายใจเลิกๆหายใจ ย, วยาวๆอย่าไปบังคับลมเพราะการบังคับลมเป็นการทํางานของจิตถ้าจิตยังมีการทํางานอยู่จิตจะนิ่งสงบไม่ได้ถ้าอยากจะให้จิตนิ่งสงบนี้ต้องไม่ทํางานต้องให้ดูเฉยๆให้รู้เฉยๆ ถ้าจิตรู้เฉยๆก็แสดงว่าจิตไม่ทำงานแล้วแต่ยังไม่นิ่งเพราะกำลังของความคิดปรุงแต่งมันยังมีมากอยู่ก็ใช้การดูลมไปเพื่อระ ง, งับความคิดปรุงแต่งถ้าเราสามารถดูลมไปโดยที่ไม่ปล่อยให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เดี๋ยวความคิดมันก็จะหยุดไปความคิดมันก็จะหมดกำลังมันก็จหยุดเกลีกยงไปพอหยุดก้กเ็เหมือนกับรู้สึกว่า ใจตกมาจากที่สูงหรือใจเหมือนกับว่าลมหายใจหายไปแล้วก็นิ่งสงบไปอันนี้ไม่ต้องตื่นเต้นตกใจเวลาเกิดความรู้สึกว่าลมหายใจหายไปหรือหมดไปเพราะจิตปล่อยวางร่างกายนั่นเองจิตไม่ไปรับรู้เรื่องของร่างกายร่างกายก็ยังหายใจอยู่ของมันอยู่แต่จิตได้เข้าไปข้างในแนละ้วจิตเข้าไปอยู่ในโลกทิพย์แล้ไม่ได้อยู่กับโลกของร่างกาย คือโลกธกา mm hmm. นุเวลาทําใจให้สงบนั่งสมาธิก็เพื่อดึงจิตให้กลับเข้าไปในโลกทิพย์นี่ mm hmm. ให้กลับเข้าไปในโลกทิพย์ในลักษณะที่นิ่งสงบ mm hmm. เพราะความนิ่งสงบของใจนี้ <c oughs> เป็นความสุขอย่างยิ่ง mm hmm. เป็นความสุขที่เราจะสามารถเอามาดับความทุกข์ต่างๆของใจได้แบบชั่วคราว mm hmm. เวลาที่เรามีความทุกข์ใจมากมาก เราถ้าเราเข้าสมาธิได้เราก็เข้าสมาธิไปพอเราเข้าสมาธิได้ความทุกข์ของใจก็จะหายไปหมดแต่พอเวลาเราออกจากสมาธิมาพอเรากลับไปรับรู้เรื่องที่ทําให้เราทุกข์ความทุกข์มันก็ยังกลับมาได้อยู่ถ้าเราไม่อยากให้ทุกข์ตอนนั้นเราก็สามารถเจริญสติเพื่อดับความทุกข์ได้ พอคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราทุกข์เราก็หยุดความคิดนั้นด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปด้วยการสวดมนต์ไปก็ได้หรือถ้าเราไม่สามารถอยู่เฉยๆเพราะเราต้องทำงานก็ให้เราจดจ่ออยู่กับงานที่เราทำอย่าปล่อยให้ใจเราไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราทุกข์ความทุกข์นั้นมันก็จะไม่สามารถเข้ามาใน ใ, นใจของเราได้เพราะความทุกข์เป็นสิ่งที่ใจดึงเข้ามาเอง หึงเข้ามาด้วยความคิดของใจแต่ถ้าใจไม่ว่างใจไปคิดเรื่องอื่นใจไปทํางานต้องทําเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็ทําให้ลืมเรื่องของความทุกข์นั้นไปได้ชั่วคราวแต่พอใจว่างจากการทํางานแล้ว<ม>ก็อาจจะเผลอกลับมาคิดถึงเรื่องที่ทําให้เกิดความทุกข์ทางใจก็ได้เราลองใช้คําบริกรรมก็ได้หรือถ้าเราจะลองใช้ปัญญาดูก็ได้ ปัญญาก็ไม่ใช่ของยากอะไรเพียงแต่ว่าเรายังไม่เคยใช้มันก็อาจจะรู้สึกว่ายากปัญญาก็มีให้รู้แค่สามอย่างให้รู้ว่าของต่างๆในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงของไม่แน่นอนเป็นของที่มีเกิดได้มีดับได้เป็นของที่เราควบคุมบังคับให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราไม่ได้เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศ ถ้าไปอยากควบคุมเขาอยากให้เขาเป็นไปตามความอยากของเราเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา <ül> <ฮ>เราก็จะเข้าใจว่า ude, ความทุกข์ใจของเราเกิดจากที่เราอยากจะไปควบคุมสของที่ไม่ที่ให้มันเที่ยงหรือของที่มันเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนี้พอ ude, มันไม่เป็นอย่างที่เราอยากได้มันก็จะทําให้เราทุกข์ใจได้ <ül üm> อันนี้ก็คือการใช้ปัญญาถ้าใช้ปัญญาได้มันก็จะทําให้เรา หายทุกอย่างถาวรเช่ น, นตอนนี้เราทุกข์กับโครคภัยไข้เจ็บของเราเป็นโครคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะถ้าเป็นโรคมะเร็งเนี่ยใจเราจะทุกข์มากจะกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ถ้าเราสามารถเอาปัญญามาวิเคราะห์ว่าดูว่าร่างกายของเรานี่มันเป็นอย่างไรมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเกิดมาแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหรือไม่ ไม่ช้าก็เลยววันใดวันหนึ่งไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะสูงจะต่ำจะรวยจะจนนี้ร่างกายเหมือนกันทุกคนหนีไม่พ้นความเป็นอนิจจังของร่างกายความเป็นของไม่เที่ยงของร่างกายเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราควบคุมบังคับมันได้ไหมห้ามมันได้หรือเปล่าเมื่อเราห้ามมันไม่ได้แล้วเราทุกข์เพราะอะไรเราทุกข์เพราะเราอยากจะไปห้ามมัน ถ้าไม่ให้มันเจ็บเวลามันเจ็บใข้ได้ป่วยก็อยากจะให้มันหายเวลามันจะตายก็อยากจะให้มันไม่ตายมันก็เลยทําให้เกิดความทุกข์ทางใจขึ้นมาเท่านั้นเองเราก็จะเห็นสาเหตุของความทุกข์ใจของเราว่าเกิดจากความอยากของเราอยากไปควบคุมของที่เราที่เราครวบคุมบังคับไม่ได้เราควบคุ <S S มบังคับร่างกายเราไม่ได้ตลอดเวลาบางเวลาเราก็ควบคุมได้ แต่บางเวลามันก็อยู่เหนืออำนาจของเราที่จะไปควบคุมมันเมื่อเราไม่สามารถควบคุมมันได้เราก็ต้องยอมรับความจริงแล้วก็หยุดความอยากที่จะไปควบคุมมันทั้งเองพอเราหยุดความอยากได้เราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราดับความอยากไม่ได้ก็แสดงว่าใจเรายังไม่มีสมาธิไม่มีกำลังพอเรายังไม่สามารถหยุดใจของเราได้ เราก็ต้องกลับไปทำสมาธิเพิ่มขึ้นให้เราสามารถหยุดใจให้ได้ทำใจให้นิ่งให้ได้ถ้าเรามีกำลังมากที่จะทำใจให้นิ่งได้พอเรามาเจอความทุกข์ทางใจแล้วเราใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูว่ามันเกิดจากความอยากของเราอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้พอมันไม่เป็นเราก็ทุกข์ใจเราก็ต้องมองความจริงว่าความจริงเรา ไปทําให้มันเป็นไปตามที่เราอยากได้หรือไม่ถ้าทําไม่ได้เราจะไปอยากทําไมอยากไปก็ทุกทุกใจไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรการยอมรับความจริงนี้การหยุดความอยากนี้เป็นประโยชน์มากกว่าเพราะว่ามันจะทําให้ความทุกข์ใจนั้นหายไปหมดเลยเหมือนกับว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยใจจะยิ้มใจจะสบายร่างกายจะทุกข์จะเจ็บอย่างไรก็เป็นเรื่องของร่างกายไป เรื่องของใจก็เป็นเรื่องของความสบายความสงบนี่คือถ้ามาีมีความสามารถที่จะใช้ปัญญาได้ถ้ายังใช้ปัญญาไม่ได้ก็ใช้สติไปก่อนก็ได้เวลาเกิดความทุกข์ใจก็หยุดความอยากด้วยการใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปเช่นเวลาเกิดอาการเจ็บปวดจากการเจ็บไข้ได้ปวดก็ดีหรือจากการเวลาที่เรานั่งสมาธิไปแล้ว เกิอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรนนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าไม่สบายใจทรมานใจไม่อยากจะนั่งต่อไปไม่อยากจะเจอมันแต่บางทีเราก็หนีมันไม่ได้เช่นเวลาเราเจ็บไข้ได้ปด่วยเนี่ยเรหนีมันไม่ได้เราจะทำอย่างไรถ้าเราจะไม่ให้ใจเราทุกข์ถ้าเรายัางใช้ปัญญาไม่ได้เราก็ใช้สติไปก่อนใช้คําบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปหรือใช้การสวดมนต์ไปก็ได้ หรือใช้การฟังเทศฟังธรรมไปก็ได้อย่างใดอย่างหนึง่งที่จะดึงใจเราให้ออกจากความอยากให้ความเจ็บนั้นหายไปให้เราลืมความเจ็บนั้นให้ได้พอเราลืมความเจ็บนั้นให้ได้แล้วความอยากที่จะให้ความเจ็บนั้นหายไปมันก็จะรั ง, งับไปแล้วใจเราก็จะเย็นลงมาใจเราก็จะสงบนี่คือกระบวนการของการดับความทุกใจที่ ถ้าถึงขั้นขั้นภาวนานี้เป็นขั้นที่ยากที่สุดแต่ผลที่จะได้นี่มันผลที่ได้มากที่สุดผลที่ได้สูงสุดคือ ด, ดับความทุกข์ใจได้อย่างเต็มร้อยดับถ้าดับด้วยสติก็ดับเต็มร้อยด้วย ด, ดับได้เพียงชั่วข่าวยังไม่ถาวรอยถ้าดับด้วยปัญญาได้ ก็จะดับได้อย่างถาวรได้แต่ก่อนจะไปทางปัญญาได้นี้ต้องผ่านทางสติก่อนต้องมีสติที่จะหยุดที่จะดับความทุกข์ด้วยสติให้ได้ก่อนถ้าหยุดไม่ได้มีปัญญามากน้อยเท่าไหร่ก็ดับไม่ได้เพราะไม่มีสติไม่มีสติไม่มีกาลังพอที่จะไปหยุดความอยากตั้งั้งที่รู้ว่าเราทุกข์เพราะความอยากแต่ก็อดอยากไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ ในมื้อเช้านี้มีญาติอยู่คนหนึ่งก็มาเล่าความทุกข์ให้ฟังว่าให้คนที่เขาเดือดร้อนยืมเงินไปยืมแล้วเขาก็ไม่คืนก็ทุกข์ใจเราก็บอกทุกข์ใจเพราะอะไรเพราะอยากได้คืนใช่ไหมมันก็เลยทุกข์ใจถ้าคิดว่าเป็นการทําบุญไปมันจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์เลยใช่ไหมเวลาญาติอยู่มาเอาเข้าของเอาเงินเอาทองมาทําบุญนี่ทุกข์ไหมไม่ทุกข์เลยกับมีความสุขใจ แต่ถ้าจะบอกว่าต้องม า, าคืนวันหลังเนะี่ยพอวันหลังมาขอคืนหลวงพ่อบอกไม่มีแล้ว <c oughs> นี่ก็จะทุกข์ใจขึ้นมาทันทีเ <c oughs> นี่ยความทุกข์ใจมันอยู่ที่ความอยากของเรามไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกนี <c oughs> ฉะนั้นเวลามีความทุกข์ใจลองตรวจตาดู ว, ว่าเรากำลังอยากอะไรอยู่ตอนนี้อยากให้คนนั้นเขาเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าอยากให้ลูกเราเอถ้าลูกเราติดยาก็อยากจะให้ลูกเราไม่ไม่ติดยา ถ้าลูกเราติดเกมก็อยากจะให้ลูกเราไม่ติดเกม mm hmm. แล้วเราไปห้ามเขาได้หรือเปล่า mm hmm. อันไหนห้ามได้ก็ห้ามไปเช่น mm hmm. ถ้าเขาติดยาก็อย่าให้เงินเขาใช้สิ <c oughs> อย่าให้เงินเขาใช้ mm hmm. เขาก็ไม่มีเงินไปซื้อยาม า, มาเส่ mm hmm. แต่เขาว่ า, า จ, จะไปขโมยก็ได้ขโมยเงินต่อไป mm hmm. อย่นทางที่ดีก็คือควรจะสั่งสอนไม่ตั้งแต่เบื้องต้นว่าอย่าไปยุ่งกับเรื่องอบา ย, ยมุกต่างๆ อ๋อบายามุกนี้เป็นสิ่งที่พอติดแล้วมันเลิกยาก <c oughs> แล้วมันจะทุกข์ทรมานใจมากเวลาที่ไม่ได้เสพท <c oughs> างที่ดีอย่าไปเสพมันดีกว่าจะได้ไม่พาให้ไปสู่การกระทําบาปต่อไปถ้าเกิดความอยากจะเสพอบายามุกแล้วมันทรมานมากยาวิธีดับมันก็ต้องไปหาเงินหาทองมาซื้อของซื้อยาซื้อของที่เราติดมาดับมัน ถ้าเราไม่มีเงินทองเองก็ต้องไปขโมยเงินทองของผู้อื่นมานี่ก็คือการทำบาป <c oughs> ความทุกข์มีหลายระดับระดับต้นก็คือระดับการเสพอบายามุขระดับการทำบาปพอเสพอบายามุขแล้วมันจะติดดื่มสุราแล้วมันก็จะติดเล่นการพนันแล้วก็จะติดเที่ยวมันก็จะติดพอมันไม่ได้เที่ยวไม่ได้ดื่มสุราไม่ได้เล่นการพ น, นันมันก็จะทุกข์ ทุกพ่อมันยังอยากเที่ยวอยากเล่นอยู่แล้วถ้าไม่มีเงินทองที่จะพาให้ไปทําได้ก็ต้องไปหาวิธีลักขโมยเงินทองของผู้อื่นมาใช้ต่อไปก็ไปทําบาปอีกข้อหนึ่งพอไปลักขโมยก็ยิ่งทําให้ใจทุกข์ขึ้นมาใหญ่เพราะรู้ว่าทําผิดเมื่อทําทผิดก็รู้ว่าต้องมีโทษตามมาใจก็จะหวาดกลัวหวาดวิตกกังวลเวลาเวลาเห็นเจ้าหน้าที่ตํารวจเดินมาทั้งท้งที่เขาไม่ได้มาจับเรา เขาเพียงอย่างอาจจะมาถามว่าถามเรื่องราวอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคนอื่นแต่พอเราเห็นเขาเดินมาหาเรานี่ใจเราตกลงไปแนละ้วตกลงไปอยู่กับเท้านะ<ว>เพราะเรามีความผิดความทุกข์มันเกิดขึ้นถึงแม้ไม่เจอตำรวจก็หวาดระแวงเดิน<ม>ไปไหนมาไหนก็ต้องคอยดูว่ามีใครเขาจะมาตามจับเราหรือมาตาทำโทษเราหรือไม่ <c oughs> การทำบาปจึงเป็นของที่ไม่ดี ที่เราควรจะละควรที่จะห้ามกันมีคือเรื่องของการดับความทุกข์ในระดับพื้นฐานในระดับของผู้ครองเรือนผู้ที่ยังรักษาศีลไม่ได้นี้ต้องพยายามรักษาศีลให้ได้ผู้ที่ยังเสพอบา ย, ยมุขอยู่นี้ต้องพยายามเลิเลกอบา ย, ยมุขให้ได้แล้วก็จะได้ป้องกันความทุกข์ที่เกิดจากการกระทํำบาปทั้งปวงได้แล้วขั้นต่อไป แต่เราก็จะต้องดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆด้วยการไปปฏิบัติภาวนาไปปฏิบัติภาวนาไปสร้างเครื่องมือคือสติและปัญญาถ้ามีเครื่องมือมีสติมีสติเครื่องมือชิ้นแรกก็จะสามารถที่จะหยุดความอยากของเราได้ชัว่วคราวเพราะความอยากมันต้องอาศัยการทำงานของจิตนั่นเองถ้าจิตนิ่งเฉยความอยากก็ทางานไม่ได้ แต่พอจิตเริ่มคิดเริ่มปรุงเริ่นไปรับรู้เรื่องราวต่างๆมันก็จะเกิดความอยากตามมาได้ทันทีเห็นเบื้องต้นวิธีหยุดความอยากแบบง่ายๆก็คือใช้สติใช้คำบริกรรมก็ได้ใช้การจดจอ่อเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายของเราทุกเวลานาทีก็ได้แต่ต้องทำอย่างต่อเนื่องถึงจะมีผลดีทำตั้งแต่ตื่นจนหลับพอลืมตาขึ้นมาก็จเจริญสติเลยพอยหยุดความคิดให้ได้ อยู่ให้มากที่สุดเ ท, ท่าที่จะทําได้ช่วงแรกๆช่วงที่เราตื่นมานี้เราไม่ต้องใช้ความคิดกันอย่าปล่อยให้ไปคิดเรื่อยเปื่อยไม่จําเป็นช่วงที่เราตื่นขึ้นมาเราก็ต้องมาเตรียมเตรียมตัวอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวช่วงนั้นเรามักจะไม่ต้องใช้ความคิดกันเช่วะนั้นเน่ยอย่าปล่อยให้คิดมันง่ายที่สุดแต่พอเราเริ่มมาเกี่ยวข้องกับคนก็ต้องใช้ความคิดนะเวลาเจอใครก็ต้องคิดว่าคนจะพูดอย่างไรดีคนจะทำอย่างไรดี แล้วเวลาทํางานก็ต้องใช้ความคิดเก่ยับงานการดัง น, นั้นสำหรับเป็นผู้คลองเรือ น, นี่การที่จะมีเวลาจเจริญสติก็มีช่วงตอนที่อยู่คนเดียวตอนเช้าเนี่ยตอนที่ตื่นขึ้นมาแล้วตอนที่ไปเตรียมตัวเพื่อที่จะไปทํางานทําอะไรต่อไปช่วงนั้นอย่าปล่อยให้ใจไม่มีสติพยายามฝึกสติไปแล้วถ้าฝึกฝึกบ่อยๆฝึกมากๆ ม, มันก็จะทําให้มันติดเป็นนิสัย ถึงแม้ว่าจะไปทําอะไรอย่างอื่นมันก็จะติดไปด้วยมันก็จะพุโทโธไปหรือมันจะคอยเฝ้าดูว่ากําลังทําอะไรไปแล้วความคิดต่างๆมันก็จะน้อยลงไปแล้วเวลาที่เราต้องการจะหยุดความคิดด้วยการมานั่งภาวนานั่งสมาธิมันก็จะง่ายแล้วก็จะเร็วนั่งห้านาทีสิบนาทีนี้จิตก็จะสงบได้สงบแล้วก็สงบได้นานนิ่งได้นาน แล้วตอนนั้นความอยากต่างๆที่สร้างความทุกข์ต่างๆให้เกิดขึ้นมามันก็จะหายไปหมดจะไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ในใจเลยอันนี้ต้องอาศัยความภาคเพียรพยายามอาศัยศรัทธาความเชื่ออาศัยวิริยะความยินดีว่าถ้าทำตามที่พู้เจ้าทรงสอนแล้วจะได้คุณได้ประโยชน์เป็นอย่างมากมากยิ่งกว่าการได้เงินได้ทองกองเท่าภูเขา เพราะว่าถึงแม้ได้เงินทองมากองเท่าภูเขาก็ไม่สามารถใช้เงินทองกองเท่าภูเขานี้มาดับความทุกข์ทางใจได้ไม่เชื่อลองไปถามเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศไทยว่าคุณยังมีความทุกข์ทางใจหรือไม่ถ้าเขาบอกไม่มีก็แสดงว่าเขาโกหกถามว่าคุณคุณทุกข์กับความแก่หรือไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่ทุกข์กับความตายหรือไม่ทุกข์กับการพัดภาคสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของคุณไปหรือไม่ <c oughs> ถ้าเขาพูดความจริงก็ต้องบอกเขายังทุกข์อยู่ไม่มีใครไม่ทุกข์แหละแต่ถ้าเขาโกหกก็ก็แล้วแต่เขาถ้าเขาใหญ่โกหกเขาไม่ทุกข์แล้วก็ดีก็แสดงว่ามหาเศรษฐีก็ไปนิพพานได้เหมือนกัน <c oughs> ซึ่งในประวัติของพระพุทธศาสนาก็ไม่มีมหาเศรษฐีคนใดไปนิพพานได้เศรษฐีก็ต้องมาบวชมาเป็นขอทานก่อนถึงจะไปนิพพานได้พระพุทธพระพุาชาหมากษัตริย์ก็เช่นเดียวกันจะไปนิพพานได้ก็ต้อง มาเป็นคนจนก่อนมาเป็นขอทานก่อนการมาบวชพระนี่ก็เป็นการมาเป็นคนจนเป็นคนที่สิ้นเนื้อประดาตัวคนที่ไม่มีสมบัติเข้าของเงินทองมาเป็นเครื่องมือดับความทุกข์เพื่อที่จะได้เอามาเอาเวลามาสร้างเครื่องมือที่จะดับความทุกข์ได้อย่างแท้จริงก็คือศีลสมาธิปัญญานี่การไม่ทำบาปการการรักษาศีลไม่ทาบาปการภาวนา การเจริญสตินั่งสมาธิแล้วก็การไปเจริญปัญญาตามลําดับต่อไป mm hmm. นี่แหละคือวิธีเดียวเท่านั้นที่จะสามารถดับความทุกข์ทางใจได้อย่างสิ้นเชิงวิธีอื่นนี่ดับแบบชั่วคราวอาจจะทําให้เราดี อ, อกดีใจมีความสุขชั่วคราวเช่น mm hmm. อยู่คนเดียวแล้วเหงาพอได้แฟนมา mm hmm. ก็โอ้ oh, ดี อ, อกดีใจ mm hmm. ได้อยู่กับแฟนได้พูดคุยกับแฟน mm hmm. เพลิดเพลินไปอาจจะสามเดือน mm hmm. 6เดือนก็ได้ mm hmm. แต่ไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเบื่อของในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรดีขนาดไหนก็ตามชอบขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าต้องให้เจอบ่อยๆซ้ำๆซากๆอยู่เดี๋ยวมันก็เบื่อได้ลองกินอาหารจานโปรดดูสิกินให้กินทุกวันเลยวันละสามื้อดูดู ส, ส, สิว่ามันจะเบื่อไหมเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็ถึงบอกว่าไม่เอาแล่เอยากจะลองของอย่างอื่นแทนนะอันนี้ก็เหมือนกัน พอได้ความสุขทางนี้ไปสักพักนะเดี๋ยวมันก็เบื่อแล้วก็อยากจะมีแฟนใหม่นะบางทีไปเห็นเห็นคนใหม่เขาก็ติดใจขึ้นมาแฟนเก่าก็ไม่มีความหมายไปซะแล้วอันนี้คือความสุขทางโลกมันเป็นอย่างนี้มันเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวดับความทุกข์ได้ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วมันก็จะทำให้เราทุกข์มากขึ้นเวลาที่เราไม่มีไม่มีสิ่งเหล่านั้นมาดับความทุกข์ เช่นถ้าเกิดแฟนเราจากเราไปทะเลาะกันแยกทางกันไปอันนี้ก็เกิดความทุกข์อยู่ด้วยกันก็เบื่อแต่พอพอแยกออกจากกันก็เหงาอีกมันก็ลำบากอยู่ก็ทุกข์แยกออกจากกันก็ทุกข์เนยพอถึงพอถึงขีดนะั่นแล้วสิ่งต่งตงตางๆที่เรามาดับความทุกข์นี่มันจะให้ความทุกข์กับเราทั้งในขณะที่เราอยู่กับมันและทั้งในขณะที่มันแยกจากเราไปนั้น อ, อย่าไปหวังที่จะดับความทุกข์ทางใจจากสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้ได้เลยสิ่งที่ระดับความทุกข์ทางใจนี้มีตามที่พระเจ้าทรงสอนเท่านั้นก็คือการปฏิบัติธรรมสมขั้นด้วยกันคือละการกระทําบาปทั้งปวงแล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลต่างๆเพราะการสร้างบุญสร้างกุศลจะทั้งทำให้เราเกิดมีความสุขใจเราจะทําทให้ความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากที่จะไป หาสิ่งต่างๆในโลกนี้มาให้ความสุขกับเรานี้ลดน้อยลงไปเห็น<ม>ถ้าเราเอาถ้าเราอยากจะไปเที่ยวนี้เอาเงินไปเที่ยวไปทำบุญดูพอ<ม><ม>ทำบุญแล้วเกิดความสุขใจที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวแล้วมันจะลดความอยากไปเที่ยวให้น้อยลงไปได้ถ้าทุกครั้งที่เราอยากไปเที่ยวแล้วเอาเงินที่ไปเที่ยวนี้ไปทำบุญทำทานต่อไปความอยากเที่ยวมันหายไปเองผมไม่รูไปเที่ยวทาไม เที่ยวมาแล้วกลับมาก็เหมือนเดิมมีความสุขเดี๋ยวเดียวทักพักหนึงก็อยากจะกลับไปเที่ยวอีกนะแล้วลถ้าพอไม่ได้ไปก็ทุกข์ขึ้นมาอีก แ, แต่ถ้าเราเลิกความอยากไปเที่ยวได้ก็สบายไม่มีอะไรที่จะมาคอยอฉุดลากเราให้เราไปหาเงินมาเพื่อที่จะเอาไปเที่ยวฉ mm. ั้นพอเราเอาเงินที่อยากไปเที่ยวนี้ไปทํามูญได้ mm. เราก็ต่อไปก็จะไม่ต้องไปเที่ยวอีกต่อไป แล้วการทําบุญนี่ก็ไม่ได้ทําให้เราติดนะมันไม่ได้ทําให้เราหิวการทําบุญนี่มันทําให้ใจเราอิ่มถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทําบุญครั้งต่อไปเราก็ไม่เดือดร้อนไม่เหมือนกับการไปเที่ยวถ้าไปเที่ยวครั้งนี้แล้วไม่ได้ไปเที่ยวครั้งต่อไปก็จะทําให้ใจเราทุกข์ได้แต่ถ้าเราทําบุญครั้งนี้แล้วขรั้งหน้าไม่ได้ทําเราก็จะไม่ทุกข์ใจเราก็จะไม่เดือดร้อนใจการทําบุญนี่มันให้ความอิ่มใจความผูกสุขใจอยู่ เ้าจะให้มากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราทำมากขึ้นไปเรื่อยๆทำเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆความสุขใจก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วจะอยู่กับใจไปนานกว่าความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆตายไปเนี่ยความสุขใจที่เกิดจากการทำบุญนี่แหละจะเป็นตัวที่จะสร้างสวรรค์ให้กับจิตใจเวลาจิตใจไม่มีร่างกายใจก็จะอยู่ในโลกทิพย์ในโลกทิพย์ถ้าเป็นบุญเป็นกุศลพาไปก็จะมีแต่ความสุขใจ ก็เป็นเป็นการสร้างสวรรค์ขึ้นมาด้วยการด้วยบุญที่เราได้สะสมไว้มี่เกิดวิธีการของดับความทุกข์ทางใจที่แท้จริงต้องดับด้วยธรรมะคาสอนของพระพุทธเจา้าไม่ให้หยาบไปดับด้วยโลกธรรม ท, ทั้งสี่โลกธรรม ท, ทั้งสี่คือลาบยศสารเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ดับความความทุกข์ทางใจไม่ได้แต่กลับจะทําให้ความทุกข์ทางใจมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ่วิธีที่จะดับความทุกข์ทางใจให้หมดสิ้นไปอย่างถาวรก็คือการปฏิบัติทำที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติก็คือให้ละการกระทำบาปทั้งปวงให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมแล้วก็ให้ชำระจิตใจสะอาดให้บริสุทธิ์ทำให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนาสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถ้าเราปฏิบัติทำทั้งสามข้อนี้ได้ ความทุกข์ทั้งหลายที่มเคยมีอยู่ในใจเราจะหายไปหมดแล้วจะไม่มีวันกลับมาอีกต่อไปแล้วใจเราก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามาฟังเทศฟังธรรมมาเรียนรู้วิธีการดับความทุกข์ทางใจที่พระเจ้าทรงนํามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราถ้าเรานํามาไปฏิบัติได้วันใดวันหนึ่งข้างหน้าเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามหญิงเป็นหญิงเป็นชายเป็นคารวะเป็นนักบวชเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ถ้าปฏิบัติตามได้ก็สามารถดับความทุกข์ได้เช่นเดียวกันการแสดงสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุมโมทนาให้พอ้ <c oughs> อยะท้าวาิวาฮาปุราปริปุเรนติสาขลัง เอวะเมวะเอโตตินังเปตานนังอุปปักปะติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิจโตสัพเพปุเลนโุสังกปาดันโทปนาระสุยทังมณิโชติ ภาระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชนตุสัพพโลกวินาศตุมาเตภวตวันตาาโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสิลิะนิจังวุตาปจายโนจตารโหธรรมวะทานติอายุวันโสุขัง ช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคาถาม <c oughs> ใครมีคําถามอะไรอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าอยากจะไม่ถามเองอยากจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือถ้ามีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทางยูทู e วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ วันนี้มีผู้รับฟังธรรมหนากุตจากทางเ c e b o o k พระอาจารย์สุชาติ445ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์297 YouTube ด r V 55 Clubhouse 2วิทยุออนไลน์10นากุต116รวมทั้งหมด925ท่านค่ะเจริญเจริญถามได้คำถามจากผู้รับฟังนากุตค่ะ ถามเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกค่ะเมื่อลูกเถียงเวลาเราสอนหรือดื้อก็จะเกิดการปะทะอารมณ์ทำให้ทั้งลูกและเราทุกข์เมื่อคิดว่าถูกจังก็จะปล่อยวางแต่ก็คิดว่าหากเราไม่สอนเขาเขาจะเป็นอย่างไรความคิดก็วนเวียนอยากถามพระอาจารย์ว่าคนเป็นแม่ควรวางใจอย่างไรหากสอนลูกแลวยังดื้ออยู่กราบสาธุค่ะก็เราห้ามเขาไม่ได้เนี่ยเขาจะดื้อเห้ามเขาได้เปล่า เขาจะฟังเราหรือไม่ฟังเรานี่มันก็เป็นเรื่องของเขาเรื่องของเราก็คือสอนเขาไปใช่ไหงถ้าแล้วก็จบเขาจะได้เวลาเกิด อ, อะไรกับเขาจะได้ไม่มาโทษเราว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนพ่อแม่สั่งสอนแล้วแต่ลูกไม่ทําตา ม, มใะหน้าที่ของพ่อแม่ก็เป็นครูเป็นอาจารย์<ม>สอนเด็กที่มาเรียนหนังสือที่โรงเรียนส่วนเด็กจะทําตามได้หรือไม่ก็เป็นเรื่องของของเด็กไปเรื่องของลูกก็เหมือนกัน เราก็สอนเขาอย่าไปถือว่าเราสอนแล้วเขาต้องฟังต้องเชื่อเราเพราะเราถ้าเราถืออย่างนี้เราเราจะทุกข์เพราะว่าเราเกิดความอยากอยากให้เขาเชื่อเราในบางทีก็ต้องดูว่าคำสอนของเราเป็นยังไงด้วยบางทีคำสอนของเราอาจจะไม่ได้เรื่องก็มีเขาก็อาจจะไม่ฟังเราพ่อแม่บางคนอาจจะเจอลูกที่ฉลาดกว่าก็ได้ลูกนี่มีสามแบบ อภิชาตบุตรนะลูกที่ฉลาดกับพ่อแม่แล้วก็ลูกที่มีความรู้เท่าๆกับพ่อแม่แล้วก็ลูกที่มีความรู้น้อยกว่าพ่อแม่ก็สอนได้พวกที่มีความรู้น้อยกว่าเน้ความรู้พอๆกันแต่ความรู้มากกว่าสอนไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยพ่อสอนไม่ได้สอนให้เป็นกษัตริย์ไม่ได้พระพุทธเจ้าบ อ, อกไปเป็นพระ ด, ดีกว่าถ้าเป็นอย่างนี้อย่าไปโกรธลูกนะ ลูกเขาเลือกทางเดือนของเขาเรามีหน้าที่บอกทางเดือนให้เขาเลือกเอาใช่ไ่าไปทางนี้แล้วจะเจออะไรไปทางนี้แล้วจะเจออะไรอย่างโคลาจานก็บอกพ่อของพระพุทธเจ้าว่าถ้าเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะคองราชก็จะไปเป็นมหาจากักรพรรดิถ้าออกบวชก็จะไปเป็นพระพุทธเจ้าพ่อก็อยากจะให้เป็นมหาจากักรพรรดิไม่อยากให้ไปเป็นพระพุทธเจ้าก็พยายามหาวิธีกั้นกีดกั้นไม่ให้ไป ไปบวชคือร้อมพร้อล้อมเจ้าชายศิทิธรรมด้วยความสุขต่างๆเพื่อให้หลงติดอยู่กับความสุขจะไม่ได้จะได้ไม่อยากออกบวชเพราะการบวชมันยากลําบากต้องอยู่แบบขอทานแต่เจ้าชายศิทิธรรมไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเข้า้ปก็เกิดความทุกข์ใจที่ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่มีอยู่นี่ดับไม่ได้หรือว่าจะดับได้ก็ต้องออกบวชเท่านั้นท่านก็เลยไปบวช ฉะนั้นพ่อแม่ลิกคูบาอาจารย์สั่งสอนสั่งสอนไปตามหน้าที่ของเราผิดถูกดีเชื่อก็ว่าไปาเห็น้ก็ทำอะไรผิดก็ห้ามเขาแต่ถ้าเขาไม่เชื่อก็ช่วยไม่ได้แต่ก็อยากจะเข้าวิ่งเข้าไปในกองไฟเราจะทำยังไงก็ปล่อ ย, อยเขาวิ่งเข้าไป <c oughs> เดี๋ยวเขาก็รู้เองว่าไฟมันร้อน คำถามสักขรั้งผู้รับฟังหน้ากุบค่ะหนูอายุ12ปีตอนนี้หนูเป็นทุกข์เครียดเรื่องครอบครัวไม่อบอุ่นพ่อมีผู้หญิงอื่นอยากขอความเมตตาจากหลวงพ่อหนูควรทําอย่างไรคะเพราะเราอยากให้มันอบอุ่นนะพอไม่อบอุ่นมันก็ทุกข์เหมือนอากาศเนี่ยถ้าเราอยากให้มันเย็นพอมันร้อนเราก็ทุกข์ถ้วเราอยากให้มันไม่ไม่หนาวพอมันหนาวเราก็ทุกข์ด <c oughs> ังความทุกข์อยู่ที่ใจของเรา <c oughs> อยู่ที่ความอยากของเรา งั้นผู้เจ้าสอนให้เรายินดีตามมีตามเกิดมีอะไรก็ยินดีไปอยู่บ้านแบบไม่อบอุ่นก็อยู่ไปจนกว่าถ้าเราแยกตัวออกไปได้ก็แยกตัวไปถ้าเราคิดว่าอยู่ที่นี้แล้วไม่อบอุน่นอยากจะไปอยู่ที่อื่นที่ดีกว่าก็ค่อยไปตามตามกําลังของเราแต่ในขณะที่เรายังแยกตัวไปไม่ได้ก็อย่าไปอยากอย่าไปอยากให้มันเป็นไปตามความอยากของเราเพราะมันเป็นไปไม่ได้ ต้องมันศึกษากฎของใจรักษอนิจจังทุกขังอนัตตาบ้านครอบครัวก็ควบคุมบังคับไม่ได้ให้มันอบอุ่นเสมอไปก็ไม่ได้เพราะมันมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีก็อบอุ่นบางทีก็รุ่มร้อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหัดอยู่กับมันไปแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมัน <c oughs> คำถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะกับเรียนสอบถามของ กองเตโชกสินครับผมนั่งเพ่งเทียนเวลากลางคืนแล้วนำจิตเพ่งไปที่แสงเทียนพอหลับตาแล้วจะเห็นเป็นจุดแดงและสีเหลืองแบบนี้มาถูกต้องมีส่วนของกรรมฐานของเตโชกสินไหมครับเราก็ไม่ได้เรียนวิชานี้มาก็เลยไม่สามารถที่จะตอบได้ตามที่เราเข้าใจก็คือเรานึกภาพของไฟที่เรากาหนดไว้อย่าให้มันเป็นอย่างอื่นถ้าเราใหม้มองต้นเทียน เราก็หลับตาแล้วนึกถึงต้นเทียนนั้นไปอย่างเดียวเหมือนกับดูลมไปดูแต่ดูต้นเทียนภาพของต้นเทียนแทนแต่ใจมันจะไม่ภาพอย่างห็นปรากฏขึ้นมาก็ไม่ใช่แล้วแสดงว่าใจแล้วสติเราไม่อยู่กับต้นเทียนแะล้วต้องพยายามสร้างภาพของเทียนขึ้นมาให้ได้คําถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะ การออกบวชเป็นพระเพื่อปฏิบัติเพราะที่บ้านไม่สนับสนุนการปฏิบัติแต่เขาเป็นโรคไ ต, ร ะ, ะ ต, ร, คตระยะเริ่มแรกร่างกายยังแข็งแรงดีแต่ต้องไปเจาะเลือดที่โรงพยาบาลทุกสามเดือนควรทำอย่างไรดีครับก็คงจะต้องบวชที่บ้านแทนเพราะการออกบวชนี้ต้องพึ่งตนเองได้ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นไม่ไม่ไปสร้างภาระให้กับทางวัดเพราะวัดจะ ไม่ใช่เป็นที่ที่จะมาคอยดูแลรักษาคนป่วยนะแต่เป็นที่ให้การศึกษาให้การปฏิบัติง <c oughs> นั้นคนที่ปฏิบัติไม่ได้เพราะมีโครคภัยไข้เจ็บก็ต้องปฏิบัติที่บ้านไปเป็นคารวาสไปคำถามสักทาง Facebook ค่ะหนูเข้าใจแล้วว่ากายนี้ไม่ใช่จิตและจิตนี้ไม่ใช่ กายนี้ถ้าคนที่เรารักตายจากไป ถ้าคนที่เรารักตายจากไปเขาก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ความรู้สึกของหนูมันเหมือนจะไปยึดกับความดีและความผูกพันที่มีต่อกันพอคิดว่าวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วเราต้องตายจากกันมันจึงทำให้เสียใจขึ้นมามากๆค่ะจึงอยากขอความเมตตาหลวงพ่อขอคำแนะนำว่าต้องสอนต้องคอยสอนใจตัวเองยังไงคะเพื่อไม่ให้ทุกข์ใจค่ะลงสอนว่าต้องมีการพกรากพกจากการเป็นธรรมดา ไม่มีใครร่วงพ้นจากการพัดพากจากกันได้ต้องสอนบ่อยๆคิดบ่อยๆต่อไปใจเราก็จะยอมรับความจริงได้คำถามจากทาง y o u t u ด็อตร V วค่ะการที่เรามีจิตเลื่อมใสศรัทธาลรวรู้ว่าองค์ใดคือพระสุบติปันโนและเชื่อศรัทธาแบบเต็มหัวใจเหตุเพราะยังบังเอิญหรือบุญเก่าคะอันนี้เราก็ไม่ทราบต้องถามตัวเองดูแล้วกัน ยังไม่มีคําถามค่ะเรื่องของความศรัทธาความเชื่อด้วยความชอบนี้ส่วนหนึ่งมันก็เกิดจากอดีตมาเราเคยชอบอะไรพอเราเจอสิ่งที่เราชอบเราก็เราก็จะชอบเราเจอสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็จะไม่ชอบแต่ถ้าเรามีได้ศึกษาได้เรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบนั้นเราก็อาจจะเปลี่ยนได้ แพะฉันถ้ารู้ว่าสิ่งที่เราชอบมันไม่ดีเพาน้นเราเคยชอบกินเหล้าอย่างเงี้ยพอเรามาศึกษาทางธรรมนั้นกกินเหล้าไม่ดีจะทำให้มึนเมาจะทำให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดการเสียสติจะทำให้ไปทำบาปง่ายๆกว่าเราเคยชอบเราก็ปลี่ยนความชอบได้หรือสิ่งที่เราไม่ชอบพอเรามาศึกษาเห็นคุณความดีของเข า, ารักษาศีลดียังไงทาบุญดียังไง เราไม่เคยชอบทําบุญไม่เคยชอบรักษาศีลแล้วก็อาจจะเปลี่ยนได้อันนี้เปลี่ยนด้วยความรู้ความรู้ตามความเป็นจริงแต่ถ้าเราไม่มีความรู้เราก็อาจจะชอบหรือไม่ชอบตามที่เราเคยเคยชอบหรือไม่ชอบมาตั้งแต่ในอดีตดังนั้นก า, การชอบนี้เราเปลี่ยนได้ถ้าเราไปชอบสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราโชคดีได้ามาเจอคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะสอนว่าอะไรไม่ดีอะไรดี เป็นการทําบาปไม่ดีการเสพอ บ, บายามุกไม่ดีถ้าเราเคยชอบการทําบาปชอบเสพอ บ, บายามุกเราก็เปลี่ยนไปเราก็เราก็ไม่ไปชอบมันเสียไปเกลียดมันแทนไปไม่ชอบมันแทนเราก็จะปลอดภัยถ้าเราไม่เคยชอบทําบุญพอจะยินได้ฟังว่าการทําบุญนั้นดียังไงมีคนประโยชน์กับจิตใจอย่างไรทําให้เกิดความสุขความอิ่มใจอย่างไรเราก็อาจจะมาชอบการทําบุญต่อไปก็ได้ มีพ่อแม่เอาลูกมาบวชเมื่อก่อนก็ไม่เคยเข้าวัดเลยแต่ช่วงที่ลูกมาบวชสามเดือนนี่ก็มาแทบทุกวันมาทําบุญทุกวันพอหลังจากลูกศึกไปแล้วก็มาทําต่อเพราะทําบุญแล้วมีความสุขใจเพราะว่าไม่เคยได้ความสุขใจเหมือนกับการทําบุญเคยเอาเงินไปซื้อข้าวซื้อของไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นมันไม่สุดเหมือนกับการได้ทําบุญเขาก็เลยมาทํำมา หลายปีแล้วลูกศึกไปตั้งหลายปีไปมีไปมีลูกมีเมียแล้วพ่อแม่ก็ยังมาทําบุญเป็นประ จ, จําแล้วนอกจากทําบุญแล้วก็รักษาศีลแล้วก็หัดภาวานาฟังเทศฟังธรรมไปด้วยดงนั้นสิ่งต่างๆนี้มันอยู่ที่ อ, อสิ่งแวดล้อมถ้าเราได้ไปเจอสิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็จะได้เรียนรู้สิ่งที่ดีจากสิ่งนั้นสิ่งแวดล้อมนั้นเมื่อเราเห็นคุณค่าเห็นคุณประโยชน์ของสิ่งนั้นเราก็จะอยากจะได้สิ่งนั้นมาเป็นของเรา เช่นเดียวกันถ้าเราไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีนี้่เราก็จะรู้ว่าแบบนี้ไม่ดีนะคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่ไม่ดีคนรักทรัพยคนประพฤติผิดประเพณีนี่ไม่ดีเราก็จะได้หลีกเลี่ยงไม่ไปเข้าสู่สิ่งแวดล้อมแบบนั้นต้องอาศัยประสบการณ์ของชีวิตส่วนหนึ่งก็อยู่ที่พ่อแม่ถ้าเรามีพ่อแม่ที่ดีพ่อแม่จะให้สิ่งแวดล้อมที่ดีกับเราสอนเราตั้งแต่เราเป็นเด็ก แต่ถ้ามีพ่อแม่ที่ไม่ฉลาดหรือไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องดีไม่ดีก็อาจจะไม่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เราได้สัมผัสก็ได้อันนี้ก็อยู่ที่บุญกรรมเหมือนกันมาเกิดกับในบครอบครัวที่ดีหรื อ, อครอบครัวที่ไม่ดีโดยในครอบครัวที่ดีก็จะได้เรียนรู้สิ่งที่ดีโดยในครอบครัวที่ไม่ดีก็จะได้เรียนรู้สิ่งที่ไม่ดีมีอะไรไหมมีคาถามเข้ามายัง มีใครอยากจะถามอะไรไหมถามได้น ะ, ะถามเหรอเดี๋ยว<า>เดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวมาไปพูดะจะได้ยินทั่วกันพูดใกล้ๆปากเลยค่ะเวลานั่งสมาธิไปสักพักหนึ่งเสร็จแล้วมันจะนิ่งแล้วก็ มักจะตัวเอนโยกเยกแล้วก็ถึงจะสะดุง้งแล้วก็กลับมาอย่างนี้นะคะไม่รู้ว่าทําถูกหรือว่าทําผิดเราจะต้องแก้ไขยังไงะคะ่ะคือบางทีสติมันอ่อนนะมันหมดกําลังลงมันก็จะเกิดอาการโยกเยกขึ้นมาได้แล้วเราก็ต้องเพิ่มสติโดยการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่านั่งเฉยเฉยนั่งเฉยเฉยแล้วสติมันก็จะค่อยๆหมดไปได้แล้วมันก็จะทําให้โยกเยกทําให้งอตัวได้ แล้วเกิดอาการสะดุ้งอะไรขึ้นมาได้เวลานั่งสมาธิต้องมีสติอยู่กับอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่กับลมหายใจและอยู่กับพุโทโธไม่อยู่กับการโสดมลถ้ามีอะไรอยู่ด้วยแล้วใจนั้นใจจะร่างกายจะไม่ไม่ไม่โยกเยกแล้วใจก็จะนิ่งขึ้นตามลําดับกราขอบพระคุณเจ้าค่ะการนั่งสมาธินี้อย่านั่งเฉยๆนี่ นั่งเฉยๆไม่เรียกว่าเป็นการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิต้องมีสติกำกับใจให้สติรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ได้รู้อยู่กับคาบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้รู้อยู่กับการสวดมนต์ไปก็ได้ถ้ามีการรับรู้อยู่อย่างนี้แล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ในระดับต่างๆแต่ถ้านั่งไปแล้วไม่มีอะไรเลยปล่อยให้ใจลอยไปลอยมาคิดนู่นคิดนี่ไป เดี๋ยวก็เกิดภาพหรืออะไรขึ้นมาก็ได้กับสิ่งต่างๆที่เราไม่คาดคิดก็จะเกิดขึ้นมาได้แล้วเราก็อาจจะหลงไปคิดว่าเป็นนูน่นเป็นนี่ไปก็ได้เทำยิงการนั่งนี้ไม่ได้ไปให้มีอะไรเกิดละนอกจากความสงบของใจ น, นั้นเองเราต้องการให้ใจนิ่งให้ใจสงบเพราะเวลาใจนิ่งใจสงบแล้วเราจะมีความสุขมากเมื่อเรามีความสุขมากเราก็จะได้ไม่ต้องไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆะ ที่ที่เป็นของชั่วคราวที่จะทําให้เราทุกข์ใจต่อไปได้การหาความสุขที่ไม่มีพิษมีภัยที่มีคุณมีประโยชน์แต่อย่างเดียวก็คือการหาความสุขจากการทําใจให้สงบใยการนั่งสมาธิมีสติกับใจอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจเข้าออกอันนี้แหละต่อไปถ้าเราได้ความสุขจากสมาธิแล้วเราจะไม่อยากจะได้อะไรแล้ะไม่อยากจะได้เข้าของเงินทองไม่อยากจะได้แฟนไม่อยากจะได้อะไร อยากจะได้เวลาไปปฏิบัติให้มากๆขึ้นไปทั้งนี้หมดแล้วใช่ไหมถ้าไม่มีก็จะได้สรุปเอาแค่นี้ก่อนนะสาหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้วาวหน้าในทายิ่งยิ่งขึ้นไปเชอญ